มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาตัติยวัคพระวโตธรรมเทศนายะอปโปสุกตะภาวะปัญหาที่8ถามว่ า, า, วาเหตุไรพระผู้มีพระภาคเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว จึงมีความขนขวายน้อยในอันที่จะเทศนาสั่งสอนสัตว์ราชาสมเด็จพระบรมขัตติยนรินพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การประพาถถามอัทธปัญหาอื่นสืบไปเล่า ว, ว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยยาณปรีชาตุมเหภะนาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้กับโยมว่า สมเด็จพระมหาการุณาเจ้าทรงพระอุสาหะสร้างพระบารมีมาท้วนกำหนดสี่อสงไขยกับเศษอีกแสนกันนี้ด้วยมีพระไทยจะรื้อขนสัตว์ออกจากห้วงมหนันโนภพพสงสารผู้เป็นเจ้าว่าไว้กันนี้นะปุณะจะครั้นมาอีกเล่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าสำเร็จแก่พระศรีสันเพชญดายานนั้นเล่า กลับมีน้ำพระไถ่น้อมไปที่จะขวนขวายน้อยไม่ตรัสพระสัทธรมเทศนาโปรดสัตว์โยมพิเคราะห์ดูอัดทั้งสองนี้ไม่ต้องกันพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายะถามีครุวนาฉันใดโยมจะเปรียบให้ฟังเหมือนอย่างว่านายขมังธนูก็ดีและลูกศิษย์นายขมังธนูก็ดี เรียนไว้จะสู้รบราชสัตรูครั้นถึงที่จะได้รบราชสัตรูแล้วก็หดหอยอดท้ออยู่หาสู้ไม่นี่คิดไปก็เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัพพันย์อยู่สร้างพระบารมีซีอสงไขยกับแสนกันเอทันตเรในระหว่างสร้างพระบารมีนั้นน้ำพระไถยนี่ผูกพันที่ว่าจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลาย อันเวียนวนไหวาตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้แล้วให้เข้าสู่กรุงแก้วอมะตะนัครเศรษสิเวทวรามาหาปหาปะถะโมกขนิพานครั้นได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษแล้วพระไทยผ่องแผ้วชมชื่นควรแลหรือกลับไปเป็นอื่นมีน้ำพระไทยมักน้อยไม่ขนขวายโปรดสัตว์มัตยัดอยู่ เหมือนนายขมังธนูเรียนรู้ไว้จะรบศัตรูครั้นปะศัตรูวางธนูเสียหาสู้ไม่โอสักเกยยะกลับงอนหงอย่อทอไม่สู้เขาประการหนึ่งเล่าถ้ามิฉะนั้นพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าจงฟังอุปมาอีกอย่างหนึ่งเล่ามันโลวามันละสิทโศวาเสมือนคนมวยคนปล้ำก็ดี ลูกศิกษย์ของคนมวยคนปล้ำก็ดีย่อมติดพันลองเล่นอยู่ทุกเวลาราตรีหวังจะสู้กับหมู่มวยปล้ำครั้นถึงทีจะเข้าสู้สิว่าข้าแรงน้อยถอยเสียไม่สู้ใครเรียนปล้ำทําไมเล่าเหมือนอย่างเจ้าคนมวยขาดสมัครว่าจะชกเห็นเขามาทําหน้าซีดหาสู้ไม่นี่แหละสมเด็จพระสัพพันธ์ยูเจ้า ก, ก็เหมือนกัน สร้างพระบารมีมาตั้งพระไทยปรารถนาที่ว่าจะโปรดเวไนนิกรสัพพสัตครั้นได้ตรัสแล้วพระไทยมัธยัตมีขนขวายน้อยคิดท้อถอยที่ว่าจะไม่โปรดสัตด้วยกลัวภัยกิงนุโขชไหนหนอหรือว่าสมเด็จพระมหาการุณาโปรดสัตด้วยพระไทยย่อดท้อมีขนขวายน้อยหรือว่าท้อถอยทุกผลภาพ ด้วยไม่มีพระกำลังหิวหอบอยู่อาสัพพัญยุตายะหรือว่าไม่รู้ไม่เป็นพระสัพพัญยูดอกกระมังฝั่งพระผู้เป็นเจ้าว่าหน้าไม่สมหลังเหลวไหลไปอินคะดังข้าพเจ้าตักเตือนการนานิพูหิพระผู้เป็นเจ้าจงชักเอาเหตุมาแก้ไขกังขาวิตระนายะ เพื่อจะให้สิ้นซึ่งความวิมติกังขาพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาถ้าว่าสมเด็จพระนายกโลกกนาามีพระไทยปราถนาจะโปรดสัตว์หรือขนสัตว์อันลอยล่องเที่ยวท่องเสวยสุขเสวยทุกข์ในวัฏสงสารจึงสั่งสมสร้างพระบารมีสามสิบทัดมีทานบารมีเป็นประถม สร้างสมซึ่งพาหิรกะทานและอัจฉติกะทานคือดวงพระหฤทัยนายเนธพระกายเสียนสอเลือดเนื้อให้แก่สัตว์ทั้งหลายแล้วมิหนำซ้ำให้บุท ธ, ธิดาอัคราชายายอดรักเป็นอัครท า, านไม่ท้อถอยแต่สร้างพระบารมีมานี้นานน้อยไปหรือจะกำหนดนี้ถึงสี่อสงไขยแสนกันเอทันตเร ในระหว่างสร้างพระบารมีอยู่นั้นพระไทยนี้ผูก พ, พันจะเป็นพระจะโปรดสัตว์ถ้าว่าจะถือเอาอัดที่ถ้อยคำเดิมพระผู้เป็นเจ้าว่านี้คำภายหลังที่พระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อสมเด็จพระมหาโลกกนายกยอดบุคคลได้ตรัสเป็นสมเด็จพระทศพลแล้วพระไทยขวนขวายน้อยมีพระไทยท้อถอยที่ว่าจะไม่โปรดสัตว์ อัดถ้อยคํานี้ก็ผิดเป็นมิจฉาสัทธาหามิจะเชื่อคําที่ว่าได้ตรัสแล้วมักน้อยมัทธยัตคิดจะไม่โปรดสัตว์คําเดิมที่ว่าสร้างพระบารมีซีอสงไขยกับแสนกันปรารถนาว่าได้ตรัสแล้วจะโปรดสัตว์นั้นก็ผิดอายังปันโโหอันว่าปริศนานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกติ นิมนโรดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้พระนาเคเษน จ, จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารแต่การก่อนอัตมาถวายพระพรไว้จริงอยู่ว่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าเอนดูแก่สัพพสัตว์ปรารถนาจะโปรดสัตว์จึงสร้างพระบารมีมาท่วนสี่อาสงขายแสนกันเอทันเตเร ในระหว่างเมื่อพระองค์สร้างพระบารมีอยู่นั้นน้ำพระไทยผูกพันที่ว่าจะโปรดสัตว์อยู่และคำที่ถวายพระพรว่าพระสัพพันญูได้ตรัสแล้วมีพระไทยมัทยัตไม่ปรารถนาที่จะเทศนานำสัตว์เข้าสู่พระนิพพานด้วยสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ซองยานดูชินธรรมก็เห็นว่าลึกล้ำคำเพียรภาพยากที่จะรู้จะเห็น อันหนึ่งโสดสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยตัณหาอันกล้าด้วยภาวะมีสกายญิทิฏฐิถือมัน่นที่ไหนสัตว์ทั้งปวงนั้นจะถือตามพุทธโอวาทของตถาคตเล่าเหตุฉนี้พระไทยของสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าจึงโน้มไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยมีพระหาฤทัยมัทธยัตยไม่ปรารถนาที่จะเทศนานำสัตว์เข้าสู่นรุภาน มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพิงสะโกป้านดุดหมอสันละกันโตอันจะพยาบาลไข่อุปคัดฉันโตเมื่อเข้าไปใกล้ซึ่งคนไข้นั้นจึงมาคิดในใจว่าอัตมาจะประกอบยาขนานใหม่ให้ไข้าหายย่อมถ่ายเทคเนใจไปชนี้ยะถา มีครุวนาฉันใดนะบ่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์เจ้าก็เพ่งพิจารณาดูหมู่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นมรโร้ายร้อนกล่าวคือกองกิเลสอันหนาเห็นว่าจะอย่างปัญญาลงพิจารณาซึ่งธรรมของสมเด็จพระสัพพันยูยากที่จะรู้จะเห็นเป็นเหตุชะนี้จึงทรงพระปริวิตกไปว่า ทำชะไหนดีจึงจะโปรดสัตว์นี้ได้จะกระทำอุบายฉันใดนี่แหละสารวนที่วิตกไปเหมือนหมอรักษาไข้ต้องพิเคราะห์ไปว่าโรคสิ่งไรจึงจะชอบประกอบยาขนาดไหนพิจารณาไข้ให้แน่จึงวางยาแก้ไข้ต่อภายหลังเหตุดังนี้สมเด็จพระชินสีห์เจ้า จึงมีความขนขววยน้อยที่จะสําแดงพระธรรมเทศนาวาปณะนะดังอาตมาจะถวายอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่ามหาราชะขอถวายพระผ่อนบอพิษพระราชสมภารเปรียบดุลกษัต ร, ริ์พระองค์หนึ่งเล่าได้ราชาพิเศษไม่ได้ทัศนาการเห็นซึ่งคนทั้งหลายอันเป็นฝ่ายเจ้าพนกาักงานเป็นต้น คือสาวสวรสครานอนเนกนิกรมราชกัญญาข้าเฝ้าสนิททั้งหลายเหล่าบุรุษหญิงชายชาวนิคมขอบเขตขันทเสมานายกองช้างกองมา้ากำหนดที่สุดโทวาริกะบุรุษผู้รักษาทวานนั้นพระไทยก็ยังไม่หวนหันบัญชาการก่อนก็ย่อมทรงพระนุสรว่าอาตมานี้จะสงเคราะห์อย่างไร แก่ไพร่บ้านพลเมืองดีฉะนั้นหนอนาำพระไทยนี้ตรึกตรองจึงยังไม่มีพระองค์การชุบย้อมตั้งแต่งใครผู้ใดยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระอนาวารณญาณได้สำเร็จแก่การพระปรมาพิเศษอันประเสริฐเลิศโลกาแล้ว พิจารณาดูพระธรรมรัตนะเป็นแก้วหาค่ามิได้คำเพียรังนิปุนังอันลึกล้ำละเอียดนักหนายากที่ฝูงเวไนใจหยาบจะยางเห็นได้จึงจะตรัสพระสัทธธรรมเทศนาก็เสียทีเทศนาเสียเปล่าที่ไหนเล่าจะนับถือเพราะใจดื้อดึงขนึงเห็นสกายะทิฐิพระองค์จึงสารวนดาริว่า จะสงเคราะห์สัตว์อย่างไรสัตว์จึงจะยังจิตให้เข้าใจในกระแสรพระสัทธรรมเทศนาดํมริเหมือนกัตสัตว์เมื่อแรกราชาพิเศษนั้นเหตุชะนี้สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าจึงมีน้ำพระทัยขวนขวายน้อยอยู่ยังไม่ตรัสพระสัทธธรรมเทศนาอันหนึ่งเล่าก็เป็นธรรมดาประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่โบราณมา สุดแท้แต่ว่าได้ตรัสแล้วต่อเท้ามาหาพรหมมาอาราธนาพระองค์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาเหตุไรจรึงเป็นธรรมดามาเหตุว่ามนุษย์ทั้งหลายถือตามฝักฝาา่ายเท้ามหาพรหมบรรดาเหล่าปริพาชกสมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมั่นว่าเท้ามหาพรหมเป็นเทวดาพระมะครุกาคำรบเท้ามหาพรหม ถือตามโอวาทานุศาสน้อยใหญ่ของเท้ามาหาพรหมเป็นที่สุดอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมทั้งหลายนั้นก็มานับถือเท้ามาหาพรหมมิได้มาอรัถนานอบนบนบน้อมนิมนต์สมเด็จพระทศผลก็ต้องยับยั้งรอท่าเท้ามาหาพรหมอย่างไม่ขวนขวายที่จะตรัสพระสธรรมเทศนายัสมาเหตุใดตัดสมา เหตุดังนั้นสมเด็จพระตถาคตทศพลเจ้าแต่ก่อนมาท้ามหาพรหมจึงต้องอาราธนานิมนต์ก่อนขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงทรงสันนิฐานให้ทราบเหตุอุปเทศสามิอัตมาจะถวายอุปมาต่อไปอีกยะถามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจะมีขรุวนาฉันใด ดุลสมเด็จภูวนายาธิราชและมหาอมาตผู้ใหญ่เคารพนบไหว้ถืออะไรเป็นที่ไหว้ที่เคารพนบนอบบูชาอาวะเสสาชนาคนทั้งหลายเศษนั้นก็พากันพลอยนอบนบเคารพ บ, บูชาด้วยสิน้นอันหนึ่งเป็นประเวณีคดีโลกมาฝ่ายว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าทั้งหลายนั้นก็เหมือนกัน มหาพรหมนั้นสิเป็นใหญ่เท้ามหาพรหมลงมาเคารพนบนอกเมื่อใดแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงที่นับถือเท้ามหาพรหมนั้นก็ชวนการกระทำสักการะบูชาตัดสมาเหตุชนี้แหละพรหมจึงต้องลงมาอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์ทั้งหลายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชา ได้สวนาการฟังก็ทรงพระสมสรโสมนัสปรีดาตรัสว่าพันเตนาขาเสนาข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอายังปันโโหอันว่าปริสนานี้เดิมทีดูเหมือนว่าวาจาบรรทุกภาวะอันหนักอติละหูโกพระผู้เป็นเจ้ากระทาให้เบาขึ้นได้สุนิเวทิโตช่างแก้นักหนาวิสัชนาให้โยมเข้าใจสัมปติฉามิ โยมจะรับไว้เป็นข้อวัตตปฏิบัติสื่อไปภควัตโตธรรมเทศนายะอปโปสุกตะภาวะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้